ตอนที่สองเยียวยากายด้วยใจผ่อนคลายทุกเช้าและเย็นป้าไยจะออกไปจ่ายตลาดและทำกับข้าวให้ลูกหลานตอนกลางวันก็ทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆวันหนึ่งป้าไยไม่สบายลูกแนะนำให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดหลังจากตรวจร่างกายหมอก็วินิจฉัยว่าป้าไพเป็นโรคหัวใจนับแต่วันนั้น ปลาไผ่ก็เปลี่ยนไปรู้สึกอ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรงไปจ่ายตลาดกลับมาก็รู้สึกเหนื่อยมากในที่สุดก็เลิกไปตลาดจะทำอะไรก็รู้สึกเหนื่อยแม้แต่ขึ้นบันไดในที่สุดจึงลงมานอนข้างล่างและเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่กล้าไปไหนจึงกลายเป็นคนหงอยเหงาได้แต่นั่งเจ้าจุกอยู่ผู้เดียว วันหนึ่งนายแพทย์ใหญ่ผู้หนึ่งกลับมาเยี่ยมบ้านสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของป้าภัยซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่จึงสอบถามสาเหตุเมื่อได้คำตอบแพทย์ใหญ่ก็ตรวจดูร่างกายและถามอาการของป้าภัยแต่ไม่พบอาการของโรคหัวใจจึงบอกป้าัยว่าร่างกายไม่ได้เป็นอะไรมากอาจมีอาการอ่อนเพลียบ้างตามวัยพอรู้ว่าไม่เป็นโรคหัวใจ ป้าภัยก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยทันทีเรียวแรงกลับมาสามารถไปตลาดและทำกิจวัตรต่างๆได้เหมือนเดิมป้าภัยไม่ได้เป็นอะไรแต่เพียงได้ยินหมอบอกว่าเป็นโรคหัวใจก็กลายเป็นคนป่วยทันทีและเมื่อป่วยแล้วแม้ไม่ได้กินยาก็หายป่วยฉับพลันเมื่อรู้ว่าความจริงตนไม่ได้เป็นโรคหัวใจอย่างที่คิด ความเชื่อหรือความรู้สึกนั้นมีผลต่อร่างกายมากแม้เจ็บป่วยไม่มากแต่หากมีความเครียดวิตกกังวลเพราะคิดว่าเป็นโรคร้ายหรือเพราะรุ่มใจเรื่องครอบครัวร่างกายก็ซุดลงได้ง่ายๆนับประษาอะไรกับคนที่ตรวจพบโรคร้ายจริงๆหากวางใจไม่เป็นก็อาจมีอันเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว หญิงสูงวัยผู้หนึ่งป่วยกระเสาะกระแสะเข้าๆออกๆโรงพยาบาลอยู่หลายครั้งวันหนึ่งหมอบอกเธอว่าป้าเป็นมะเร็งตาบนะอยู่ได้ไม่เกินสมเดือนเธอตกใจมากหลังจากกลับบ้านเธออยู่ได้แค่ส2องวันก็เสียชีวิตมะเร็งก้อนนั้นใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะฆ่าชีวิตคนแต่ความตื่นตระหนก ความกังวลและความเครียดนั้นสามารถปลิดชีวิตเราได้เร็วกว่านั้นมากเมื่อล้มป่วยเราไม่ได้ป่วยกายเท่านั้นแต่มักป่วยใจด้วยความป่วยใจสามารถทำให้ความป่วยกายหรือความเจ็บปวดทบทวีหรือเป็นตรีคูณได้ในทางตรงข้ามหากทําใจให้ผ่อนคลายเบาสบายความเจ็บปวดหรือความเจ็บปวด ก็อาจลดลงเหลือแค่ครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสผู้ป่วยที่มีศรัทธาในหมอมักจะมีอาการดีขึ้นไม่มากก็น้อยทันทีที่ได้พบหมอนายแพทย์วิลเลียมเฮนรี่เวลช์ซึ่งเป็นผู้วางรากฐานการแพทย์แผนใหม่ในอเมริกาพูดถึงบิดาของตนซึ่งเป็นหมอเหมือนกันว่าทันทีที่ท่านเข้าห้องผู้ป่วย ผู้ป่วยจะรู้สึกดีขึ้นทันทีบ่อยครั้งไม่ใช่เพราะการรักษาของท่านแต่เป็นเพราะการปรากฏตัวของท่านต่างหากที่รักษาผู้ป่วยให้หายได้จริงอยู่โรคภัยไข้เจ็บอาจจะไม่หายแต่ถ้าจิตใจผ่อนคลายก็อาจอยู่ได้อย่างปกติสุขห่างไกลจากความทุกข์หลายคนแม้มีก้อนมะเร็งอยู่ในร่างกาย แต่ก็สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติเพราะเขาไม่มัวกังวลกับโรคภัยแทนที่จะกลุ้มใจกับเหตุร้ายในอนาคตเขากลับใส่ใจกับการทำชีวิตแต่ละวันให้มีความสุขความเจ็บป่วยนั้นบั่นทอนร่างกายเราได้ก็จริงแต่เหตุใดเราจึงปล่อยให้มันทาร้ายจิตใจเราด้วยป่วยกายแล้วไม่จำเป็นว่าจะต้องป่วยใจด้วย พระพุทธองค์เคยตรัสแนะอุบาสกผู้หนึ่งซึ่งป่วยหนักว่าให้พิจารณาเสมอว่าถึงกายของเราจะมีโรครุมเร้าแต่ใจของเราจกไม่มีโรครุมเร้าเลยถึงกายป่วยแต่เราก็มีสิทธิ์เป็นสุขได้เสมอขอเพียงแต่ใจเปิดรับความสุขที่มีอยู่รอบตัวกนกวันศิลสุขป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียตั้งแต่เกิด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 แค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่เราจะมีความสุขจะมีความสุขอย่างนั้นอย่างแรกที่จําเป็นต้องทำก็คือยอมรับความจริงว่าความเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้วเมื่อใจยอมรับความจริงก็จะหยุดดิ้นรนผลักไสความเจ็บป่วยทำให้ใจสงบในทางตรงข้ามหากเราปฏิเสธความจริง มัวตีโพยตีพายหรือก่นด่าชะตากรรมว่าทาไมต้องเป็นชั้นเราจะยิ่งทุกข์มากขึ้นจิตใจจะเร่าร้อนหาความสงบไม่ได้เลยการยอมรับความจริงไม่ได้แปลว่ายอมจำนนเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องหาทางเยียวยารักษาแต่การเยียวยารักษานั้นจะต้องทำที่ใจด้วยไม่ใช่ทำที่กายเท่านั้น เยียวยาใจเรานั้นไม่มีใครทำได้ดีเท่าตัวเราเองเมื่อเยียวยาใจให้หายกังวลกลัดกลุ้มการเยียวยารักษากายก็จะเริ่มต้นทันทีแม้ยังไม่ได้รับยาจากหมอด้วยซ้ำ